พระตรปิดกเล่มที่สิบเจ็ดสังยุตตนิกายขันธวารวักขันธสังยุตจูละปันนาตอันตะวรกหมวดว่าด้วยที่สุดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสี่อย่างคือที่สุดคือสักกายกายของตนที่สุด คือเหตุเกิดแห่งสักกายะที่สุดคือความดับแห่งสักกายะและที่สุดคือปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะที่สุดคือสักกายะเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าที่สุดคือสักกายะนั้นได้แก่อุปาทานขันห้าประการคือรู ป, ปูปาานขันเวทนูปาานขัน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 ได้แก่การมตัญหาความทยานอยากในกามภาวะตัญหาความทยานอยากในภพวิภวะตัญหาความทยานอยากในวิภพนี้เรียกว่าที่สุดคือเหตุเกิดแห่งสักกายะที่สุดคือความดับแห่งสักกายะเป็นอย่างไรคือความดับตัญหาไม่เหลือด้วยวิราคะ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 สัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตักระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนี้เรียกว่าที่สุดคือปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะ ภิกษุทั้งหลายที่สุดสี่อย่างเหล่านี้แหละทุกขสูตรว่าด้วยทุกขพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอริยาสัจสี่แก่ภิกษุทั้งหลายคือเรื่องทุกขทุกขสมุทยัยเหตุเกิด ท, ทุกขทุกขนิโรธความดับทุกข และทุกขนิโรธาคาไินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ทุกข์เป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าทุกข์นั้นได้แก่อุ ป, ปาทานขันห้าประการคือรู ป, ปู ป, ปาทานนักขันจนถึงวิญยู ป, ปาทานนักขันนั้นเรียกว่าทุกข์ทุกขัดสมุทัยเป็นอย่างไร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 ความไม่อะไรในตัณหานี้เรียกว่าทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิ ป, ฏาปาออาาาทาปรินเยยสูตร ว่าด้วยธรรมะที่ควรกาหนดรู้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ควรกาหนดรู้ความกำหนดรู้และบุคคลผู้กำหนดรู้ให้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ธรรมะที่ควรกาหนดรู้เป็นอย่างไรคือรูปเป็นธรรมะที่ควรกาหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นธรรมะที่ควรกาหนดรู้ความกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะบุคคลผู้กำหนดรู้เป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าบุคคลผู้กำหนดรู้นั้นคือพระอระหันต์ได้แก่ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ นี้เรียกว่าบุคคลผู้กำหนดรู้สมณะสูตรว่าด้วยสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันห้าประการนี้คือรู ป, ปูปาทานขันจนถึงวิญญาณูปาทานขันนั้นภิกษุทั้งหลาย สมณะพรามหม์เหล่าใดเหล่านึ่งไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะพราหม์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะไม่จัดว่าเป็นพราหมในหมู่พราหมทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทาให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือความเป็นพราหมด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ส่วนสมณะพรามหมณ์เหล่าใดเหล่านึงรู้ชัดคุณโทษเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะพราหมณ์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน โสตาปันนสูตรว่าด้วยพระโสดาบันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปทานนขันห้าประการนี้คือรู ป, ปูปาธทานนัขันจนถึงวิญญาณูปาธทานนัขันนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยาสาวกรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อ น, นั้นอริยาสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าคำว่าไม่มีทางตกตำ่ำหมายถึงไม่ตกไปในอบายภูมิสีคือนรกกำเนิดสัตว์ดิรัชานแดนเปรตและพวกอสูร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 หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบชนทะปหาสูตรว่าด้วยการละความพอใจพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในรูปเมื่อเป็นเช่นนี้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 ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลถามดังนี้ว่าที่พระองค์ตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชาเป็นอย่างไรและโดยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่รู้ชัดความเกิดแห่งรูปเป็นต้นนั้นไม่รู้ชัดความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเป็นต้นนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าอาวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชา ปราบทุนถามว่าวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาตรัสตอบว่าภิกษุอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับรู้ชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารรู้ชัดวิญญาณรู้ชัดความเกิดความดับ และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเป็นต้นนั้นนี้เราเรียกว่าวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาธรรมกบทิกสูตรว่าด้วยพระธรรมกถึกภิกษุรูปหนึ่งคุณถามดังนี้ว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไร ภิกษุจึงเป็นพระธรรมกถึกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปควรเรียกว่าภิกษุเป็นธรรมกถถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หาภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับไม่ถือมั่นรูปควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันและโดยในย่าเดียวกันกับเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารละวิญญาณก็เช่นเดียวกันปาริปุชิตาสูตร ว่าด้วยการสอบถามพระผู้มีพระภาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็พิจารณาเช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนนายคลายกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้นสัญโยชนียสูตรว่าด้วยธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์พระผู้มีพระภาคตรัสแสดงธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์และสังโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์คือรูปเป็นธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ ฉันทราคะในรูปนั้นเป็นสังโยชน์เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ฉันทราคะในเวทนาเป็นต้นนั้นเป็นสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์นี้เรียกว่าสังโยชน์ อุปาทานิยสูตรว่าด้วยธรรมะที่เกื้อกูลแก่อุปาทานพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องนี้ว่ารูปเป็นธรรมะที่เกื้อกูลแก่อุปาทานฉันทราคะในรูปนั้นเป็นอุปาทานเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นธรรมะที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน สันธราคะในเวทนาเป็นต้นนั้นเป็นอุปาทานภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าธรรมะที่เกื้อกูลแก่อุปาทานนี้เราเรียกว่าอุปาทานสีละวันตสูตรว่าด้วยธรรมะที่ภิกษุผู้มีศีลควรมณสิการโดยแยกคาย สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกธิตะอยู่ณป่าอิสศ ป, ปัตนะมฤุกขทายวันเขตกรุงพาราณสีครั้งนั้นท่านพระมหาโกธิตะได้ถามเรื่องนี้ว่าธรรมะเหล่านั้นอันภิกษุผู้มีศีลควรมณสิการโดยแยบคายท่านพระสารีบุตรตอบว่าอุปาทานขันห้าประการอันภิกษุผู้มีศีล ควรมานาสิการโดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกสอนเป็นของลาบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นคือบังคับไม่ได้เป็นของสุดโสมเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาอุปาทานขันห้าประการคือรูปูปาทานขันจนถึงวิญญาณูปาทานขันนั้น อันภิกษุผู้มีศีลมนสิการโดยแยกขายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นต้นนั้นพึงทําให้แจ้งโสดาปฏิผลท่านพระโกติตรตถามต่อว่าธรรมะเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นโสดาบันผู้เป็นสกัทาคามีผู้เป็นอนาคามีหรือแม้แต่ผู้เป็นอรหันต์ควรมนสิการโดยแยกขาย ตอบว่าอุปาทานขันห้าประการนี้อันภิกษุแม้เป็นสกทาคามีหรืออนาคามีหรือแม้ผู้เป็นอรหันต์ก็ควรมนาสิการโดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นของลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นบังคับไม่ได้เป็นของสุดโทมเป็นของศูนเป็นอนัตตาท่านโกรธติดตั กิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปหรือการสั่งสมกิจที่ทำแล้วยอมไม่มีแก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์อันหนึ่งธรรมะเหล่านี้ที่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะกับปะสูตร ว่าด้วยประกับปปบครั้งนั้นท่านประกับปป์เข้าเฝ้าทูลถามว่าเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรจึงจะไม่มีอาหารการมมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้ง่วงในภายนอกทรงตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณยังได้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันบุคคลเห็นรูปทั้งหมดเป็นต้นนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้จึงจะไม่มีอาหังการมะมังการและมานานุใส ในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอกท่านพระกัปปะทุนถามอีกว่าบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรใจจึงจะปราศจากอาหางการมามังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอกก้าวล่วงมานะด้วยดีสงบระ ง, งับหลุดพ้นดีแล้วทรงตอบว่า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 บุคคลรู้เห็นอย่างนี้ใจจึงจะปราศจากอาหางการมะมังการและมานานุใสในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิต ท, ทั้งอวงในภายนอกก้าวลวงมานะด้วยดีสงบพระงับหลุดพ้นดีแล้วอาวิชาวักหมวดว่าด้วยอวิชาสมุททะธรรมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูล ถ, ถามดังนี้ว่าอาวิชชาเป็นอย่างไรด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุตุชนในโลกนี้ ผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงเราเรียกว่าอาวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชา ภิกษุนั้นทูลถามอีกว่าวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาทรงตอบว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับรู้ชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริง นี้เราเรียกว่าวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาอัฏาทสูตรว่าด้วยขุนของขันท่านพระมหากดทิตะถามท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ว่าที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชาอาวิชาเป็นอย่างไร และโดยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดขุนโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปตามความเป็นจริงไม่รู้ชัดคุนโทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตามความเป็นจริง ท่านผู้มีอายุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกในอวิชชาท่านพระมาหากุิตาถามว่าวิชาเป็นอย่างไรด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาท่านพระสาวรีบุตรตอบว่าพระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู้ได้สดับรู้ชัดอุนโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตามความเป็นจริงท่านผู้มีอายุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาสำหรับเนื้อหาในวักนี้ทั้งหมด ล้วนเนื้อหาในย่าเดียวกันนะครับข้อความในหลายพระสูตรถ้าซ้ำกันผู้อ่านก็จะข้ามไปเช่นเดียวกันนะครับหากท่านใดเกรงจะไม่ถูกต้องหรือสนใจเพิ่มเติมสามารถสืบค้นจากพระไตรปิฎกออนไลน์ได้ง่ายและสะดวกเช่นเดียวกันนะครับกุกุลาวัตกหมวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นของร้อนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของร้อนอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเป็นต้นนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบรมจ a j a ์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอ น, นิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้นก็อะไรเราไม่เที่ยงคือรูปไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละชันทะในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละชันทะในอุปาทานขันห้าแต่ละประการนั้น ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้นและโดยในยะเดียวกันเนื้อหาเหมือนกันนะครับภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้น เธอทั้งหลายพึงละชันทะในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็อะไรเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์รูปเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละชันทะในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละในอุปาทานขันห้าประการนั้นและโดยในายะาเดียวกัน เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งที่เป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละชันธราคะในสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละชันทะในสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นและสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละชันธราคะในสิ่งนั้น ก็อะไรเล่าเป็นอนัตตาคือรูปเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละชันธราคะในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละชันธราคะในวิญญาณ น, นั้นนิพิทาพะหุลสูตรว่าด้วยผู้มากด้วยความเบื่อหน่าย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 เรากล่าวว่ายอมพ้นจากชาติชรามรณะโสกบริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตและยอมพ้นจากทุกและโดยในยะเดียวกันกุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธามีธรรมะอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปเป็นต้นนั้นพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทุกในรูปเป็นต้นนั้น พึงเป็นผู้พิจารณาเห็นอนัตตาในรูปเป็นต้นนั้นเมื่อพิจารณาดังนั้นผู้นั้นเมื่อกำหนดรู้รูปเป็นต้นนั้นย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะกล่าวว่าย่อมพ้นจากชาติชรามรณนะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาต และย่อมพ้นจากทุกข์ทิฏิวักหมวดว่าด้วยทิฏิอัจฉติสูตรว่าด้วยสุขและทุกข์ในภายในเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเรา อ, อาศัยอะไร สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะอาศัยรูปสุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเมื่อมีเวทนาสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะอาศัยตาลับประการ น, นั้นสุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลาย รูปเทียงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสุขและทุกข์ในภายในจะพึงเกิดขึ้นหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า และโดยนัยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสุขและทุกข์ในภายในจะพึงเกิดขึ้นไม่ได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น เอตังมะมะสูตว่าด้วยการพิจารณาเห็นว่านั่นของเราพระผู้มีพระภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะอาศัยอะไรเพราะยึดมั่นอะไรบุคคลจึงพิจารณาเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเมื่อมีรูป เพราะอาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูปบุคคลจึงพิจารณาเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเม <ME> ื่อมีเวทนาสัญญาสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะยึดมั่นบุคคลจึงพิจารณาเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบุคคลจะพึงพิจารณาเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อนายคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นโซอัตตาสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะอาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า อัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเหล่านั้นละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนมีความไม่ปรันเป็นธรรมดาเมื่อมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเพราะอาศัยแต่ละประการนั้นเพราะยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้น และโดยในยาาเดียวกันเมื่อมีรูปเพราะอาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจกไม่ได้มีแล้วแม้บริการของเราก็จะไม่มีภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะอาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูปเป็นต้นนั้น มิจฉาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสักกายทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอั ต, ตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นอตตาจึงเกิดขึ้นความผัวพันด้วยสังโยชน์และความยึดมั่นจึงเกิดขึ้นความผัวพันและความหมกมุ่นด้วยสังโยชน์และความยึดมั่นจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเราอาศัยรูป เพราะยึดมั่นรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิเหล่านั้นความหมกมุ่นและความยึดมั่นเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเป็นต้นนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นต้นนั้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้น ทิฐิทุกประการนั้นและความผัวพันความหมกมุ่นด้วยสังโยชน์ความยึดมั่นจะพึงเกิดขึ้นหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระภูมิพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลขอประทานว่าโรกาส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 สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทูลตอบว่าเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความประันเป็นธรรมดากลรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่กลัวเลยพระพุทธเจ้าค่า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 นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมปลายกำนัดราะกลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้น